ท่านฟังที่เคารพคะ่ะดิฉันสันสนีนาพง์นะคะก็เป็นผู้ดำเนินรายการรายการนี้สันสนีสนทนาเชื่อมระหว่างสองช่วงคือช่วงแรกที่มีพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาปากพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ที่กำลังจะกลับไปมีสนทนาธรรมข้าวันเสาร์กันอีกครั้งหนึ่งหลังจากว้นว่างไปช่วงน้ำท่วมในวันที่31ที่จะถึงนี้นะคะก็จะ มาถึงช่วงเวลาของพระภิกษุอีกรูปหนึ่งจากจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คือพระไพบูรณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสมเปิดทานที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนากันเดี๋ยวนี้เลยค่ะน้อมสักการะท่านคะอาจารย์บค่ะท่านวันนี้อยู่กรุงเทพใช่ไหมคะใช่อยู่กรุงเทพก็จะไปร่วมงานที่คุรุสภาอ๋อค่ะ <c oughs> เป็นการแสดงทำอะไรเป็นพิเศษเออนะคะที่นั้นเขาทำบุญปีใหม่กันแล้วก็เขาก็ได้นิมนต์หลวงพ่อดรศาสตร์ไปมาก็เลยติดตามไปด้วยสมมุติว่าท่านฟังทั้งหลายเนี่ ย, ยฟังตั้งแต่ตอนตีห้ายังมีเวลาเตรียมตัวนะคะจะไปพบท่านพิบูลกับหลวงพ่อดออรศาสตรแห่งวัดป่าดอนหายโศกที่คุรุสภาเนี่ยไปยที่ไหนอย่างไรเวลากี่โมงก็ เขจะเริ่มบินธบัตรกันประมาณหกโมงหกโมงึ่งตอนเช้าเลยหรอคะอ่าแต่ว่าก็จะไปทั้งวันจนทั้งถึงแปดโมงก็จะเราก็จะเริ่มถวายอาหารก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วก็ที่หอประชุมครุสภารงวันวังจันทร์เกษมไหมตรงคลองประดุมกวงเกษมตรงนั้นน่ะ น, นะอือค่ะแล้วก็เขาเปิดให้คนภายนอกเข้าไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช่มีการแสดงธรรมไหมครับท่าน อจะมีตอนประมาณสิบโมงอ๋อเนี่ยคะ่ะดี๋ฉันต้องการคํานี้มากเลยเพราะว่าหลายคนงตกใจบอกคุณสัสนซนี่มาบอกอะไรเนี่ยใครจะไปทําอะไรทัน <c oughs> นะคะสิบโมงไปฟังธรรมได้ใช่ประมาณนี้ท่านไปบุญแสดงด้วยป่ะคะนานไม่ได้แสดงก็คงจะเป็นพระคือจะมีพระหลายหายร้อยรูปเลยนะคุณยมติวก็เ อ, อไม่รู้ถึงคิวใครแหละแต่ก็ไม่ใช่เป็นกองหลวงพอ่อดรธารอ๋อเหรอคะอะก็จะมีคิวที่ท่านจะต้องขึ้นอยู่ซึ่งก็ต้อง แจ้งให้ทราบก่อนออก็เรียกว่าถ้าไปเราจะได้ฟังพระหลายรูปเลยเจะได้พบพระหลายหลายรูปแต่ว่าจะมีพระรูปเดียวที่เทศยวอ๋อค่ะตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งว่าเป็นคิวท่านสารหรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้แจ้งก็คงจะไม่ใช่ก็ะจะแจ้งมาก่อนอยู่แล้วอ๋อค่ะนนี้ <laughs> ดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบนะคะเนี่ยว่าเป็นกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ <laughs> ค่ะ แต่อะไรก็ตามถ้าใครเป็นแฟนท่านไปบูรไปได้พบไหมคะก็ค <c oughs> ิได้พบแน่นอน <c oughs> ดิฉันจะไ ป, <c oughs> ไปค่ะกราบเรียนท่านนะคะว่าจะไป <c oughs> กราบหลวงพ่อค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาสนทนาธรรมกับท่านต่อกันแล้วกันนะคะในเมื่อพวกเราก็อยู่ในช่วงเนี่ยกวนก็วายมันจะปีใหม่แล้วจะไปสวดมนต์ข้ามปีปฏิบัติธรรมกันที่ไหนดีพรดูเหมือนกับว่าปีนี้ประเทศไทยตื่นตัวมากเลยนะคะที่จะให้มีกิจกรรมในทํานองนี้โดดเด่นขึ้นมาบางคนเนี่ย ก็บอกเหตุบอกว่าเพราะมันมีการศึกษาทางด้านโหราศาสตร์และได้พบว่าปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันเป็นปีมังกรปีงูใหญ่เขาว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ค่อยดีมีการบางคำทำนายนี่ดิฉันเพิ่งได้ยินเข้ามานะคะไม่ได้ยินกับหูของตัวเอง uh huh. ก็พูดจำานงว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงจังหวัดสองจังหวัดเท่านั้นอ๋อ oh. แล้วก็ทุกคนก็เลยบอกว่าการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมการอะไรก็แล้วแต่ในทางที่ดีเนี่ยนะคะจะช่วยเป็นเกราะคุ้มกันทีนี้ดิฉันสงสัยแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็สงสัยอ่าแม้วัดน้นก็ทําอย่างนี้วัดนี้ก็ทําอย่างงนทําแตกต่างกันไปถ้าถ้าจะตัดสินใจไปก็ไหนไหนเป็นลูกศิษย์ท่านไผ่พูนท่านมาร์กที่พูดพูดทวดเจะนะบ่อยๆเนี่ย ลักษณะไหนคะหลักการถึงจะเข้ากับหลักการของพระพุทธเจ้าที่สอนพระพุทธเจ้าพูดถึงถ้าเอากว้างกว้าก่อนเลยกว้างกว้างก่อนเลยก็คือเรื่องกรรมเรื่องบุญ<ฆ>นะคุณจะต้องสร้างบุญคุณจะต้องสร้างกรรมดีนะเป็นในเรื่องนี้แปลว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นกรรมดีล่ะนะเราก็ย่อยลงมาอีกเราก็พูดดีคิดดีทดําดีใช่ไหมไอ้แล้วมันเป๊ะเป๊ ะ, ปะมันคืออะไรกันแน่ คุณให้ทานไหมคุณรักษาศีลไหมคุณจเจริญภาวนาไหมคุณนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไหม <Okay. S 1> ถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้โอเคคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณจะปลอดภัยได้ทีนี้ในกิริยาที่ทำเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะบางคนก็จะเลือกสวดมนต์สวดมนต์ก็ถ้าดีก็จะเป็นการดีถ้าเป็นสิ่งที่เป็นพุทธศานะแล้วคุณก็จาให้ได้ด้วย <Okay. S 1> ใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของการเอามาท่องบน มันจะทําให้เราคลายความผูกเวรลงไปได้ก็จะมีส่วนดีตรงนี้อยู่หรือว่าถ้าจะทําให้ดีขึ้นมาอีกก็เป็นุเรื่องของการทรําจิตให้เป็นสมาธิบางคนสวดมนต์แล้วจิตเป็นสมาธิก็ได้บางคนถ้าถ้าเผื่อว่าคุณสวดมนต์แล้วคุณจะกังวลว่าชันสวดไม่ถูกชั้นสวดผิดไหมชั้นสวดเข้าจงาังหวะนั้นคุณอย่าสวดนะคุณมาทํำยังไงก็ได้ให้จิตคุณสงบกันแล้วกันเพราะว่าถ้าจิตสงบตรงนี้แหละจะเป็นบุญที่เราจะพึ่งได้ <Okay. S 2> แล้วก็พูดถึงเรื่องศีลเรื่องทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาแต่เราหวังความปลอดภัยหวังความคล้วคลาดหวังความโชคลาภพวกนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเราต้องปฏิบัติเลยเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ในรูปแบบในนิยะที่จะทําให้เราเนี่ยสร้างกุศลธรรมได้แตถ้าเราทําไปแล้วยังมีความกังวล mm hmm. ว่ามันจะถูกไหมแสดงว่าอันนี้คุณยังไม่มั่นใจร้อเ็์คุณยังไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกสอน เรารก็ไปหาสิ่งที่จะเป็นกุศลธรรมให้เรามีกุศลจิตยอยู่ได้ตลอดเวลาอืมท่านคะทีนี้ดิฉันเองเนี่ยได้ฟังจากท่านแล้วก็อยากจะถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึงนะคะว่าเวลากิจกรรมอย่างเนี้ยบางทีไปไม่ได้ไปตัวคนเดียวก็นัดคนนู้นคนนี้ไปหมดเลยเพราะว่าปรารถนาดีอืแทนที่จะไปสังสารคที่อื่นไปสังสารคกันที่จัดพิธีเหล่านี้เลยคะ่ะ <laughs> ไปถึงก็สังสารค์เป็นหลัก เราจะทําตัวแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการไปร่วมกิจกรรมแบบเนี้ยคะก็ไม่เกี่ยวข้องกับด้วยเรื่องของการปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยนแถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคลุกคลีด้วยหมู่คณะมากไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพูดพล้ามไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่ขวนขวายน้อยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเรื่องความขวนขวายน้อยความสันโดษความส ง, งัดก า, ารไม่พูดพล่ามละสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเราไปค่ะ อ๋องั้นก็แปลว่าไปแล้วถึงจะไปกันเป็นหมู่คณะก็อย่าไปคลุกคลีกันไอ้ไม่ควรคใช่ไปแล้วถึงเวลาที่สวดมนต์ถึงเวลาที่ปฏิบัติสมาธิไม่ต้องสวดไปคุยไปหันหน้ากลับมาสวดทีไปคุยไปคุยกันอีกทีอย่างนั้นถูกต้องแล้วก็เราจะทรงจิตยังไงให้ใหเ้เราจิตของเราเป็นสมาธินี่คือประเด็นที่สําคัญคุณโยมติวผมาวมว่าถ้าเราสวดอยู่เนี่ยบางคนก็จะไปกังวลกับบทสวด ฉันสวดถูกไหมเ้ยตายและเนี่ยคนอืนก็เขาไปแล้วฉันสวดผิดถ้าคุณคิดแค่นี้นะคุณพลาดเลยเพราะว่าจิตคุณมเป็นอกุศลละที่งหดหงิดแล้วนะคะอ่ามันเริ่มงดสวดอะไรกันเนี่ยจับตะครุบปดไม่ทันเลยอ่านไม่รู้เรื่องไม่คุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถทรงจิตนี้ได้เราก็อาจจะนั่งสมาธิเฉยๆเขาสวดกันไปก็ไม่เป็นไรนะหรือฟังไปคลายเครื่ไปตามก็ค่อยๆดูค่อยๆทำํทำคือทําจิตให้เป็นกุศลมากที่สุดในไหนอุตส่าห์ตั้งใจไปแล้ว ต้องไปแล้วให้ได้ประโยชน์อแล้วเรื่องของการไปในวันที่เป็นพิเศษพิเศษอย่างเงี้ยมันก็จริงๆแล้วมันต้องไม่ทุกวันเนี่ยเราต้องไม่ประมาทเราต้องทําทุกวันอยู่แล้ว อ, อ, อ, อาจจะมีวันพิเศษที่เรามาคอยย้าเตือนโอเคถ้าคุณจะอาศาัยเหตุนี้ในการที่จะทําความดีอันนี้ก็ก็ดีก็ก็สามารถทําได้แล้ ว, ลวก็ทําให้มันต่อเนื่งองอย่าเพิ่งว่าแค่วันหนึ่งปีหนึ่งฉันทําครั้งเดียวท่านท่านพีบุญค่ะอยากถาม ในประเด็นนี้อีกนะคะว่ากิจกรรมในลักษณะนี้ก็คือเป็นการจัดเพื่อให้คนหมู่มากเนี่ยไปอยู่ร่วมกันทําในสิ่งที่ดีการไปรวมตัวทํากันเยอะๆกับนั่งทําอยู่คนเดียวสองคนลำพังที่บ้านมันต่างกันไหมคะหมายถึงผลที่ได้ค่ะก็พระพุทธเจ้าให้วิเคราะห์ อ, อย่างนี้นะว่าถ้าทําสมมุติเราเปรียบเทียบสองกรณีถ้าทาเราไปสวดมนต์รวมกันนะแล้วกุศลธรรมเกิดเนะกิดนะอกุศลธรรมหายไป เราก็ไปทานุ้ได mm ้แ hmm. ต่ถ hey, ้าเราอยู่บ้านนะเราก็กุศลธรรมไม่เกิดกุศลธรรมหายไปอากุศลธรรมเกิดขึ้นบางทีอยู่บ้านอาจจะมีคนกวนเฮ้ยเราอบไปกับหมู่ดีกว่าไปกับหมู่เพื่อนดีกว่าไกลหน่อยหรือว่ามีคนมากหน่อยแต่ก็ยังไม่กวนกันยังเข้าใจกันดีอันนี้คุณก็ไปได้แต่ถ้าเดินทางกลับกันคุณไปแล้วอกุศลธรรมเกิดอยู่บ้านอากุศลธรรมเกิดขึ้นอากุศลธรรมดับไป คุณก็อยู่บ้านดีกว่าค่ะอันนี้คิดในแง่มุมประโยชน์ของเราใช่แต่ถ้าคิดในแง่มุมของส่วนรวมนะคะในการที่คนเยอะๆเพราะว่าดิฉันจะเห็นว่าเราจะตื่นเต้นนะคะเวลาสมมุติเห็นพระสงฆ์ไปมาบินธบาติกันเยอะๆให้เราใส่บาตรพระสงฆ์สวดมนต์กันเยอะๆพระสงฆ์สวดปฏิบัติธรรมกันเยอะๆหรือคนไปเยอะๆนุ่งขาวห่มขาวไปถึงไปนั่งสวดมนต์ทำที่ทีเนี่ยมันน่าจะทําให้เกิดความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เกิดประโยชน์มากกว่าไหมคะอย่างนั้น มันอยู่ที่จิตตรงนี้คุณโยมติว๋วบางคนเห็นคนมากๆแล้วโอ้เบื่อฉันไปดีกว่าไม่ศรัทธาบางคนเห็นคนมากๆแล้วเกิดความศรัทธางั้นคุณก็ควรจะไปแตบางคนเห็นคนมากๆโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้วิธีการอะไรกันก็ไม่เคยเห็นโอ้ฉันไปดีกว่าไม่อยู่เพราะว่าเขาไม่ศรัทธาไงเพราะมันอยู่ที่ความศรัทธาเราเพราะว่ามีศรัทธาแล้วยังไงแล้วพอศรัทธาที่เกิดขึ้นนี่แหละไอ้พวกอกติสรธรรมต่างๆมันก็จะจางหายไปเกณฑ์ในการ วิเคราะห์ในการที่จะว mm ัดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเผ um so <BS. S 2> ื่อเราไปแล้วนัอกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมดับไปและถ้าอยู่บ้านเนี่ยอกุศลธรรมมันจะเกิดกุศลธรรมมันจะจางหายไปเราไปนไปที่ทําเยอะๆนั่นแต่ถ้าเราไปแล้วอกุศลธรรมมันจะเกิดกุศลธรรมมันจะดับไปแต่เราก็อยู่บ้านเนี่ยกุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมดับไปคุณอยู่บ้านดีกว่าประเด็นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็อยู่ที่ว่าศรัทธาของเรานะคุณยมติ่ว หมายคว่าบางทีบางคนเห็นคนเยอะเนี่ยนะแหมแล้วก็ออืมีความศรัทธามีความปรับลืม้มอ่ดีงั้นคุณก็ไปก็ได้แต่บางคนเห็นคนเยอะๆแล้วก็โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ไม่ไม่อยากทําหรืออาจจะมีพิธีการอะไรต่างๆที่กังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คุณก็อย่าไปอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบอหมายความว่าแล้วแต่ศรัทธาของผู้นั้นนะแล้วแต่ศรัทธาค่ะท่านคะก็เท่ากับว่าถ้าไปแล้วอยากได้ประโยชน์เนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นสําคัญ ว่าเราก็ต้องทำตัวเองให้ถึงพร้อมที่จะรับกุศลด้วยใช่ั้ยคะใช่แล้วในงานนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าอะไรที่มันมีงานคนมากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้แล้วก็วุ่นวี่วุ่นวายเนี่ยเหมือนที่ตลาดค้าปลาเนี่ยสะพานปลาเนี่ยนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามันจะทำให้เรียบร้อยได้มันก็ก็ลองไปดูก็ไม่ว่าอะไรค่ะเพราะว่าบางที่เอาจจะมีความสามารถในการจัดระเบียบ ซึ่งแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้เราเห็นได้ในสมัยพุทธกาลก็มีค่ะว่าภิกษุอยู่กันเป็นพันๆรูปเนี่ยนิ่งเงียบหมดเสียงกระแอมก็ไม่มีเอเป็นเพราะเหตุใดล่ะคะอ่าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในที่นั้นด้วยก็จะคอยเงียบสดคอยสดับว่าพระเจ้าจะพูดอะไระจนกระทั่งทําให้เป็นพระเจ้าเปอร์เซนที่โกรธสนกับพระเจ้าอาชาตศัตรูเนี่ยได้ยกย่องภิกษุในธรรมะวิ น, นัยนี้ว่าโอ้โหมีหมู่คณะอันเงียบ เงียบเสียงมากๆเลยก็เป็นที่น่าทึ่งอยู่นะคะว่าคนจานวนมากแต่ไม่มีเสียง ม, มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ก็เกิดขึ้นแล้วในครั้งพุทธกาลเมื่ออยู่เฉพาะพระพุทธองค์ใช่ันก็คือแล้วก็ในการทาตรงนี้อาตมาต้องการจะเน้นว่ามันเป็นเรื่องของจิตน ะ, ะมันเป็นเรื่องของจิตว่าเราจะทรงจิตของเราอย่างไรนะให้จิตของเราเนี่ยมันตั้งมั่นอยู่ได้ตลอดเวลา ทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเราเราไปอยู่ข้างนอกเนี่ยภาษามันมากาถ้าคุณสํารวมอินทรีย์ได้ก็ไม่มีปัญหาอในขณะเดียวกันถ้าคุณอยู่บ้านภาษาน้อยแต่ถ้าคุณจิตคุณฟุ้งซ่านมันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเหมือนกั น, นก็ต้องอยู่ที่ตัวเรา้องค่อยๆฝึกไปค่ะก็อยู่ที่ตัวเราเป็นสําคัญเลยน ะ, ะถ้าที่ฟังอจารย์ท่านอาจารย์เนี่ยก็คือว่าจะต้องพยายามที่จะรู้ว่าเมื่อไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นแล้ว จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการพยาบาทเบียดเบียนนะคะไปกันเยอะก็จริงอย่าไปคลุกคลีกับใครในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม<ช>แล้วก็ความไม่ประมาทนี้ต้องตั้งอยู่เสมอตลอดเวลาค่ะมีจิตตั้งมั่นให้ตลอดเวลาที่สำคัญดิฉันจำได้ท่านในบุญพูดว่าไม่ใช่ทำแค่นี้แล้วก็จบไปไมันต้องทาต่อเนื่องทาตลอดใช่ไหมคะใช่ ออถ้าจะอาศัยเหตุการณ์นี้นะที่เขาพากันไปทำเนี่ยแล้วเป็นการเขาเรียกว่าจุดประกายตัวเองให้ทำจากนี้ต่อไปเรื่อยๆทั้งปี อ, อ้าวโอเคดีนะให้ทำซะค่ะท่านพิบูญคะ่ะขอพุทธวจนะส่งทาง อ, อ๋อวันนี้จะพูดถึ ง, งถ้าเราพูดถึงความความต้องการที่เราได้ในปีนะพระเจ้าก็พูดถึงความอา น, นิสงส์ที่จะยิ่งใหญ่นะก็พูดถึง ความหมายรู้ในความไม่เที่ยง <ME AT S 2> เมื่อเธอเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่อย่างลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้ไความหมายรู้ในความไม่เที่ยงเมื่อเธอเจริญทำให้มากแล้วย่อม <že> มีผลใหญ่มีอันนี้สงหญ่อย่างลงสู่อมตะ <orm> มีความเป็นอตสสมตะเป็นที่หวมมังได้ ยอมมีอมตะอมตะแปลว่าความไม่ตายใช่ท่านคะอย่างนี้สมมุตินะคะเราไปเขาดาวออืไปสวดมนต์ไปทําอะไรทําทุกอย่างเลยที่ท่านบอกเสร็จแล้วพอปีมันจะเคลื่อนจากสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเราก็นึกได้เลยโ้หเนี่ยเห็นมัหมมิเทียงอันเนี่ยออืมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยได้อันนี้สใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ทำทำให้มากเจริญให้มาก ทำให้มากเจริญให้มากใช่คืออย่างนี้ถ้าฝึกคิดอยู่บ่อยๆมันก็น่าที่จะทําให้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยได้อานิสงส์ใหญ่กันอยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันถูกต้องวันนี้นมัสการขอบพระคุณนะคะสําหรับพระเพรบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหมายโศดอธานีนมัสการกันท่านคะแน่ใจรอดคร้บท่านที่ครพค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสําคัญที่เราจริงๆนะคะแต่ฉันเองระยะหลังเนี่ยพอมาเรียนรู้คําสอนมากๆ ไม่กล้าที่จะวอวยพรหรือว่าขอพอรให้ใครแต่จะบอกเขาบอกว่าพรเนี่ยขอให้เขาทําเถอะแล้วเขาจะได้ค่ะวันนี้เราก็แนะนําให้ท่าน น, นะคะว่าจะให้ของขวัญตัวเองลองลุ้นดูก็ได้โทรมาเพื่อขอหนังสือพุทธวจนะเอาคําสอนของพระาศาสดาเนี่ยค่ะศักดิ์สิทธิ์เหนือของขวัญอื่นใดตลอดกาลแล้วก็ชื่อหนังสือตรงตัวเลยนะคะพุทธวจนะขึ้นอยู่แบบว่า จะเป็นเล่มใดเป็นชุดใดพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพนโรท่านเจ้าวาดวัดนาปะาพงลำลูกกาคลองสิษย์นะคะท่านก็มีลูกศิษย์ที่ช่วยกันสร้างหนังสือนี้เอามาแจกฟรีให้ท่านทั้งหลายวันลาหนึ่งเล่มส่วนท่านที่เออขออภัยค่ะหนึ่งเล่มต่อหนึ่งคนวันละสามเล่มแล้วถ้าท่านสนใจที่จะไปที่วัดเองในปีใหม่นะคะก็อยู่ลำลูกกาคลองศิวันที่ 31เนียจะเป็นการประเดิมเริ่มต้นตอนเย็นในการที่จะกลับไปสุนทนาธรรมข้ามวันเสาร์เหมือนเดิมถ้าท่านไม่ถนัดที่จะไปที่วัดนะคะท่านก็สามารถที่จะเปิดเว็บไซต์ watnap.com w a t n a p p นะคะแล้วก็ไปฟังกันสดๆในตอนช่วงค่มประมาณทุ่มๆุมครึ่งนี้นะคะ่ะวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการสัมสนีสนทนาติดตามรับฟังรายการของเรา ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่ตีห้าวันนี้พุธวันสวัสดีค่ะ